ตั้งใจฟังทมต่ออกีกเอาให้แหลกเลยละ่ะมันมีอะไรในชีวิตเราเนี่ยเราก็เลยฟังธรรมจากพุทธเจ้าธาารรมจักกะวรตรสูตรธรรมเทศนากันนี้ผ่านมาแล้ว สองพันห้าล้อยเก้าสิบกว่าปีแล้วหลังจากการตัดสลูได้ <c oughs> <c oughs> วยันเพลงเดือนหกตัดสลูงานแสดงทำมันเพลงเดือนแปดธรรมเทศสนากันนี่ <c oughs> ก็ประมาณสองพันห้าล้อย เกสิบกว่าปีได้เป็นมาแล้วคือเรื่องอะไรคือเรื่องของเราเนี่ยแหละเรื่องของคนปฏิเสธไม่ได้ไม่ใช่เรื่องของพระพุทธเจ้าเป็นเรื่องของเราแม้แต่การตัดชะลูของพระพุทธเจ้าที่เรียกว่าพระุทธเจ้าเพราะผู้ที่ ไม่มีครูอาจารย์ได้ศึกษาเอากายเอาใจนี้เป็นตำรับตำล่างเกิดบรรลุธรรมได้ตัดสลูเหงื่อการเกิดแก่เจ็บตายดังเที่เลยฟังงาจึงได้ชื่อว่าตัดสลูมีผู้ที่ฟังเอามาฟังแล้วรู้ตอม นันที่คำบอกคงสอนของพระพุทธเจ้าเรียกว่าพระสงฆ์นี่ขณะนั้นโอนทหนยาได้รู้เรื่องนี้เกิดเป็นพระอริสงรูปแรกจนเกิดขึ้นมาเรื่อย ๆ, ๆมาจนมา <c oughs> เข้าเดือนแล้วแต่วันนั้นมีผล้หลานเกิดขึ้นหนึ่งพันสองรอยห้าสิบโลกภายในแปดเดือนเข้าเดือนใหนจนมาถึงทุกวันนี้ก็ยังจะมีอยู่แหละเรื่องคุณธรรมอย่างนี้กับคนเราที่ผู้ที่มีความสนใจศึกษา จนมาถึงยุคนี้สมัยนี้เอาจริงเอาจังกันเพาเหตุการณ์บางครับบางทีก็สิ่งแวดล้อมบ้างบางทีก็ในชีวิตเ่านี้บ้างอะไรที่ควรจะ <c oughs> ทำให้มันเกิดมีในชีวิตเรา เราก็ปฏิเสธไม่ได้มีความทุกข์เป็นเบื้องหน้ามีความทุกข์ย่างเอาแล้วทำอย่างไรไ<ป>การทำที่สุดแห่งกองทุกข์เหล่านี้จึงจะหมดไปก็นี่แหละก็ทำตามคำสอน จนเพลินถึงพวกเราทุกนเนี่ยรามาเอาเริ่มต้นตั้งแต่ครั้งที่พูะเจ้าเดตัดสู้พระองค์ทำอะไรแล้วก็เรียนตามตรงนั้นสมมติว่าทุกหรือตันหากามตันหาภวะตันหาวิภวะตั้นหา ดังที่เราได้ฟังทำให้สลัดคืนทำให้ไม่มีนั้นเกิดขึ้นทําไมสลัดคืนไปบอคืนไปทำให้สิเหล่านั้นไม่มีจาระกะลิกจาขะอะไรที่เราได้ฟัง ฮิโน่กำโพปุตชโนอนาดิโยมัโคลี่โน่กำโพจ่าเขาจาขา่าโคสละดคืนกําโพทําให้ไม่มีไม่เป็นแล้วเรามาทํำยังไง้เมามีสติมั้นเป็นเครื่องมือที่จะให้สลัดคืน บอกเคิร์นจเมื่อมีคาพูดว่ามีสติเห็นเห็นอะไรเห็นกายอะไรที่บันสลัดขค้นในกายเห็นกายมีอะไรที่มันจะเกิดช้อนเท่านั้นเองเป็นตัวเป็นตนอะไรที่มันเกิดกับกายมีเยอะ ความปวดความมวยความรอ้อนความหนาวควาอะไรต่างๆมันเกิดขึ้นมา <c oughs> การสลัดเคลื่นอนทำให้เห็นสภาวะกายไม่ใช่สัตว์ประกอตัวตนเราเขาเป็นการสลัดเคลืนแต่เป็นคําพูดมันเป็นความในใจมันเป็นการกระทําถ้าได้ถึงคําว่ า, าสวาวะกาย ไม่ใช่สัตว์บุคคลโตตนโลของเป็นการกระทำแล้วสลัดแล้วทําให้ไม่มีแล้วไม่มีตรงที่มันมีนั่นเป็นกูร้ร้นกูหนาวกูปวดกู้มื่อยกูหิวกูโชอกู้ไมโชคสลัดไปแล้วมีเท่าไหร่สลัดไปแล้ ว, ลลลวบอกขึ้นไปแล้วไม่มีแล้วบอกไปแล้วเราก็พ้นไปแล้ว จนถึงเกือบเวทนาสุขทุกสลัดปีมังกรเห็นดังที่ทูตชอนชัดว่าเห็นไม่เป็ น, นอะไรก็ตามอยู่ตรงนี้นเห็นไม่เป็นพ้นจากการเป็นมันคืออะไรตรงเนี้ย ป, ปริวัติสามอาการ1ิสองในหลักอิสัตชี ดยตรงเลยทีเดียวเนี่ยเ้อไม่ต้องไปอ่านหนังสือตำรับตำลาเห็นไม่เป็นพ้นจากการเป็นทุกเป็นสิ่งกาหนดรู้สมุทัยละละแล้วนรูดแก้แล้วสามลักษณะเห็นแล้วไม่สงสัยนี่คือทุก นี่คือดับทุกข์ดับไปแล้วเห็นไม่เป็นพ้นจากการเป็นมันแล้วจริงๆตรงเนี้ยไม่ได้ไปทำมันเป็นการกระทำในกรรมฐานมันก็แล้วอย่างเนี้ยทำไมจึงทไมจึงไม่ทำตรงนี้กันเมื่อไม่ทำก็เป็นแล้วสักทีทุก เป็นทุกข์หลงเป็นหลงพอใจเป็นพอใจไม่พอใจเป็นไม่พอใจอยู่ถ้าเรามาทำซะมาก็แล้วไปเห็นไม่เป็นพ้นจากการเป็นแต่ทุกข์เห็นมันทุกข์ไม่เป็นผู้ทุกข์พ้นจากทุกข์จะมีอะไรที่มันเกิดกับกายกับใจทำลักษณะเดียวน่เรียกว่า จะเรียกว่าทิษดีในภาคปฏิบัติเลยทีเดียวเอามาเป็นตัวปฏิบัติเอามาเป็นตัวการกระทำเดี๋ยวนี้มีผู้สอนมีผู้สอนชัดเจนเรื่องนี้โดยเฉพาะหลวงพ่อเทียนเราได้วิธีการเนินชีวิตจากหลวงพ่อเทียนรอยเปอร์เนเราผูกพันกับหลวงพ่อเทียนเพราะมัน มันเป็นการทำได้เราทำแบบที่หลวงพ่อเถียนสอนนะมันเข้าโจ้ย่อย่างเนี้ยในยุคนี้สมัยนี้แต่ที่เศษไม่ได้เลยตรงทีเดียวเลยแม้จะอ่านหนังสือได้ไปได้ไม่เป็นไรว่าจะมีสติเห็นกายเคลื่อนไหวไปมาเห็นจิตเจที่มันคิด อย่าเข้าไปเป็นกันทั้งหมดให้เห็นให้เห็นให้เห็นให้เห็นอย่าเป็นอย่าเป็นนี่เป็นการกระทํำที่สรุปทั้งหมดเลยกมือเดียวคก้มทุกข์กอมดับทุกข์ดับไม่เรือแห่งทุกข์คือลักษณะแบบนี้จึงเป็นน่าจะขยันขันแข็งกระตือเร่ร่นกัน เปนโกรธเป็นกรรมขึ้นมาได้ผ่านความหลงมาเท่าไรแม้มันมีทุกผ่านมาแล้วหรือยังมันมีความโกรธผ่านมาแล้วหรือยังมันมีตัณหาผ่านมาแล้วหรือยังภาวะตัณหาผ่านมาแล้วหรือยังปิภาวะตัณหาผ่านมาแล้วหรือยังถ้าไม่ผ่านมันก็ยังมีงานอยู่งานค้างอยู่ กาอา ก, ก็งานอากลงานข้างข่าวเป็นก่องอยูยิ่งไม่ทำก็ยิ่งมากขึ้นหลงที่ใดก็เป็นหลงแล้วก็ใหญ่โตขึ้นเ่ะทุกที่ใดก็เป็นทุกโกรที่ใดก็เป็นโกรด อันหลงตัวนี้เป็นตัวการใหญ่ลักษณะสิ่งที่ปรับกับความหลงก็คือความรู้ตัวนี้เขียงหมาเคียงไหลได้คิดไหลได้เตียบเทียบได้มันตรงกันข้ามเหมือนของที่แค่กันมีความหลงก็มีความไม่หลง มีความร้อนก็มีความไม่ร้อนมีกลางคืนก็มีกลางวันมันเป็นคู่กันอยู่ตรงนี้มันมาเป็นคู่ไม่ใช่มึงกระโดดเดียวมีการเกิดก็ต้องมีการไม่เกิดมีการแจกก็มีการไม่แจกมีการเจ็บก็มีการไม่เจ็บมีการตายก็มีการไม่ตาย นั้นมาไปคู่นี่ตั้งแต่เนี่ยตั้งแต่หลงเลยแหละเริ่มโ้นวนแล้วก็พอเรามาทำก็ได้ได้โต้โต้ลยทีเดียวเจอความหลงเจอความรูกใครก็ปฏิเสธเรงนี้ไม่ลดถ้ามาเจริญสติตามหลักสติวัฏฐานสี่มาดูกาย จะเจอความหลงจะพบเห็นความหลงพบเห็นไม่ใช่คิดเห็นแล้วพบเห็นแล้วมีการกระทําด้วยไม่ใช่พบเห็ น, ม ไ, มหนไม่ได้ทําอะไรถ้าหลักกรรมฐานเห็นได้ทําแล้วเห็นความหลงได้ทํากับความหลงแล้วได้ทํามหลงคือหลักได้มีความรู้กลับมารู้ มันก็เป็นการกระทาโดยตรงเหมือนมัดมือชกนี่จึงจะเป็นกรรมฐานจำแนกไปมันจึงศักดิ์สิทธิกรรมที่ศักดิ์สิทธิ์ใครจะเป็นยังไงบาก็ศักดิ์สิทธิ์เปลี่ยนได้นั่นมันต่อหน้าต่อตา เมื่อกเราเห็นปัญหาที่เกิดกับลูกที่เราเลียงดูไม่มีเครไปเฉี่รีบแก้ไขกร ต, ตือรือ้นการช่วยตัวเองนี่ยมันก็เป็นขวเป็นสมควรที่จะช่วยมากที่สุดเลยแล้วมันหลงรู้ขึ้นมา เ, นเป็นการช่วยด้วยความพอใจเป็นการงานชอบ เป็นการคิดชอบเป็นการตั้งใจชอบเป็นการกระทําที่ชอบมันก็ชอบไปทั้งหมดเลยได้ทําสิ่งที่มันผิดให้เป็นเรื่องถูกมันก็กก็ก็จะขยันกระตือรือร้นอยากเห็นมันลงจะทําให้มันสมน้นหน้ามัน อากเห็นความโกรธ ถ, ถ้ามันมีทุกโกรธอยู่ก็ต้องอยากจะทําความโกรธลงไปให้มันหมดไปแม้ไม่ ม, มีความทุกข์ก็ขยันตรงที่มันจะทําความทุกข์ให้มันหมดในความไม่ทุกข์นั่นเป็นงานชอบอย่างนี้เ น, นไม่มีการงานใดที่ชอบเท่ากับเปลี่ยนหลงเป็นรูปเปลี่ยนทุกข์เป็นไม่ทุกข์เปลี่ยนโกรธเป็นไม่โกรธ เป็นเก้าไปอย่างนี้โดยลักษณะเดียวเห็นไม่เป็นมันไม่ยากทําให้ไม่มีแต่เห็นไม่เป็นทําให้ไม่สิ่งเราที่มันเป็นไม่มีแล้วเป็นอะไรเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นหลงเป็นโกรธไม่มีแล้วแม้ไม่หมดไปสงครั้งสมครั้งก็จางหายที่ว่าจ่าโกจางขาย ววลาโคววลาโคเบื่อหน่ายจางคายเบื่อหน่ายไปเหมือนกับคนที่เหมือนกับเราที่เป็นเด็กเคยเล่นขี้โคลนถ้าโตขึ้นมาก็มันจะเล่นไม่ได้มันเบื่อหน่ายเราลงผ้าสะอาดจะไปใส่ผ้าสุกปกมันเบื่อหน่ายมันรีบมันรีบซัก รีบแก้ไขในชีวิตที่มันไปเปิดไปเพื่อนกับความทุกข์ความโกรธความโลกความหลงมันทิ้งไม่ได้ก็รีบแก้ไขทันทีบริสุทธิ์หมดจดแกเราอยู่เพียงได้เราได้ทามลยแล้วคุยโอ้อวดถ้าจะพูดเราอวดปัญจวิคี ความหมดจดมีอยู่เพียงเลยเราทําได้แล้วชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายแล้วความทุกข์ไม่เกิดเลิบเกิดขึ้นแกเราอีกได้แล้วความหลงความโกรธไม่เกิดขึ้นแกเราอะไ อ, อีกได้แล้วเราจึงได้ชื่อว่าตัดสู้เฉพามเฉพาะหน้าแล้ว ประกาศให้ปัญจวชีฟังโทนทัญญาก็ฟังตามไปมันก็ทำไปด้วยขณะที่ฟังเหมือนกับการเห็นขี้เป็นการบอกให้เห็นทุกข์ไม่อยู่ไหมัาว ม, มุสไทยเห็นไมเห็นได้เกิดทุกข์เพิมตับทุกข์เห็นไหมเป็นทางไปโกนทัญญาก็ฟังไปกไปในใจไป บางทีก็ยิ้มยิ้มไปอือมีเนื้อร่วมอืมอืมอืมเขามอกอืมอืมอืมมันทําะไรแล้วแล้วก็จะมีบ้างอือมันหลงหน่อืมรู้ชื่อมามันทุกข์อืมง่ายมีคำว่าทําใหม่ม่น่าจะเป็นอย่างนั้นมันน่าจะเป็นอย่างนี้ทําไมจึงเป็นอย่างนั้นทําไมจึงเป็นอย่างนี้ จะไม่มีคําพูดจะไม่ความคิดแบบนี้ถ้าเป็นนักกรรมฐานมอืมเห็นความหลงอืได้เปลี่ยนหลงเป็นไม่หลงนั่นแหละจึงว่บอืมเห็นความทุกข์ได้เปลี่ยนทุกข์เป็นไม่ทุกข์มีขมวขึ้นมามันแล้วแล้วไปแล้วเรียกว่าอันยาอันยาแล้วแล้วไปแล้ว ไม่ใช่ว่ามันน่าจะเป็นอย่างนั้นมันน่าจะเป็นอย่นี้ทําไมจึงเป็นอย่างนั้นทําไมจึงเป็นอย่างนี้ไม่ไม่ได้มีคําพูดแบบนี้นะมันอืมอะไรนะกรรมฐ า, า น, นะ น, นเนี่ยมันเนวแน่ชัดเจนแม่นยําแม่นยําเปรียบเทียบได้เลยทีเดียวระหว่างหลงกับระหว่างรู้ไม่หลงระหว่างทุก ระหว่างไม่ทุกระหว่างมันโกรธระหว่างไม่โกรธแน่วแน่ที่สุดเลยนะเป็นธรรมที่สุดเลยมั่นใจมากจะบังคับข่มขืนไม่ได้ข่มขืนคนอื่นมันข่มขืนตัวเราเองก่อนแล้วโกรธมันข่มขืนเราแล้วยึ่งเป็นด่าคนอื่นเป่งทําให้คนอื่นเดือดร้อน มือนลบเบิดมันเราทํำลายตัวมันแล้วจึงไปทําลายสิ่งอื่นคนอื่นได้ควาโกรธอยู่ในคนความทุกข์อยู่ในคนจึงทําให้สิ่งอื่นเป็นทุกข์ได้ถ้าเรามาเห็นอย่างนี้เหมือนกัลช่วยทต้องสงสัยเห็นตัวเราก็เท่ากับช่วยคนอื่นสิ่งอื่นวัตถุอื่นเห็นความทุกข์เห็นความหลงตัว ทำลอยความทุกข์ความหลงความโกรธลงได้จึงเห็นบุญคุณพ่อแม่จึงเห็นบุญคุณพ่อแม่เห็นบุญคุณพระพุพะทธธรรมพระสงฆ์เห็นบุญคุณทุกสิ่งทุกอย่างเกิดความเมตตากุณาเป็นอปปัปัญญากวงใหญ่ไพศาล คิดอยากจะช่วยอันนั้นช่วยอันนี้ก็ตื่นรุ่นเสียอกเสียใจที่มันได้ทำใช้ชีวิตผิดพลาดมาเหมือนโกกู้อะไรขึ้นมาสักอย่างน่นก็ตื่นรลน่นแต่ก็ตื่นรลลุ่นเรานี่ไม่ใช่รีบไปทำที่อื่นรีบมาดูตัวเองให้มากขึ้นมากขึ้นขยันขยันชาระล้างตัวเอง ได้อย่างเพียงพอใจไม่มีงานใดที่งานชอบเท่ากับร่างบางของทุกนี่หละให้ปลดไปจากชีวิตเราเดียวนั่นไม่น่าจะทำไม่ได้ใครๆครก็ทำได้แล้วนี่กระตือเร่ร่วนลื้นมาโดยเฉพาะกรรมาฐานนี่ตรงที่เดียวเลยอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่ใชอ้อมแอม้ม เป็นการกระทําลงไปโอ้กายมาทําโอ้ใจมาทําทันทีเลยทีเดียววิธีที่เราปฏิบัติอยู่เนี่ยมันไม่ใช่มันไม่ใช่เรื่องที่จะใช้มันสมองแต่ปั๊ถึงถั่วทันตีไม่ต้องไปคิดเรื่องไดมีสติดูกายก็เห็นรตีไม่ต้องอธิบายไม่ต้องไปใช้สมอง คิดถเห็นหาผลสัจธรรมมันเหนือเหตุเหนือผลเหตุผลไม่ใช่สัจธรรมเหตุผลฆ่าก็ตายก็ได้ทำลายตัวเองก็ได้แต่สัจธรรมเนี่ยมันเหนือเหตุเหนือผลเช่นความหลงกับความไม่หลงถ้าเราเห็นจริงๆนะอะไรเป็นสัจธรรม ต้องถามใครไหมความหลงเป็นไงความไม่หลงเป็นไงความหลงจริงไหมความไม่หลงมันจริงไหมอะไรมันจริงกับกันความโกรธกับควมไม่โกรธอะไรมันจริงกับกันเลือกได้ชดะตจัตธรรมตัดสินใจได้เลยความทุกข์กับความไม่ทุกข์เป็นชจะจัตธรรมความทุกข์ ไม่ใช่สัจธรรมความไม่ทุกข์เป็นสัจธรรมไม่มีคำถามไม่คนอื่นตอบให้มาได้เราต้องตอบออเองไม่มีใครจะไม่มีอะไรที่จะบอกเราได้ชัดเจนเท่ากับตัวชีวิตเราเนี่ยนั่นอยู่ในชีวิตเราทั้งหมดในเช่นความโกรธเป็นสมุติบัญญัติ ความไม่โกรธเป็นปรมตจิตจักความทุกข์เป็นส ม, มุติบัญญาความไม่ทุกข์เป็นปรมตจิตจักมันบอกอย่างนี้ปัญหาเป็นสมมุติปัญญติปัญญาเป็นปรมาจิตจักจริงใช่ไหมันจริงด้วยไม่จริงไม่ใช่จริงแบบสมมุตินะอันสมมติว่า ทรัพย์สินเงินทองไรนาบ้านเรือนกิงแบบสมมุดบรรญัติบุตรพันชาสามีกิงแบบสมมุติบัญญัติไม่ใช่ปรมัตาจัจกรสมมุติใช่กันนี่เป็นนาของคนนั่นบ้านของคนนี้เป็นสมมุติบัญญัติแต่ควมจริงไปกิ่งคนนั้นมันเป็นปรมาจักรอันนี้เป็นสมมุติจริงแบบส ม, มุดกิ่งปรมาจักรมันหมายถึงชีวิตเรานี่ยแหละ วัตถุบัญญัติวัตถุปัจจุบอาการแล้วก็วัตถุเป็นรูปนามธรรมเป็ น, เ ป, นเป็นสมมุติ เ, มมตเหมือนกันเช่นกรมโกรธเป็นสมมุติบัญญัติตเป็นนามธรมรมกรมโกรธเป็นนามธรรม ความทุกข์เป็นนามธรรมเป็นสมมติปัญญตัติได้เหมือนกับบ้านเรือนไรนาเป็นวัตถุในเป็นสมมุติบัญญาติชื่อเสียงแรงงามเป็นสมมติปัญญตัติมีเราก็มาเห็นรูปเนี่ยเป็นสมมุติบัญญตัติเห็นนามเป็นสมมติบัญญัต์ปณิวัติสัจจะมีอยู่ในนี้ เกีงแบบสมมติเกีงแบบปรมาจา์ภาษาที่เราพูดกันเป็นสมมติบัญญัติไม่ใช่ปรมัตาสัจจะพูดไม่ถูกอย่างนี้พานนี่จะเรียกว่ากิเลสว่าเอาสมมติมาพูดนี้พานคืออะไรคือเย็นคือเย็นหรือว่าสังขารวิสังขารสังขารคือปรุง วิสังขารคือไม่ปรุงแล้วจะเอาอะไรมาสมมติต้องเอาสมมติอย่างนี้มาพูดกันปรมัตถ์เจิงเจิงไม่มีคําพูดปิดปากปิดปากไม่รู้จะพูดยังไงถ้าพูดก็เป็นสมมติบัญญัติปรมัตถจัจจะคือมนั้นไม่เป็นอะไรจะมีอะไรไปสมมุติสิ่งที่มันเป็นไม่ได้อย่าง รูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งเช่นทั้งที่เป็นสังขารและเป็นวิสังขารทั้งที่เป็นสังขารและเป็นวิสังขารทั้งหมดทั้งทิ่ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนอย่างที่เราสวดสิ่งที่เป็นสังขารสิ่งที่เป็นอะไรสัพเพสมมานิตติตัเพธรรม สเปสังขาลาอนิจจาสเปสังขาราทุกขสเปธรรมานตาสิ่งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าตัวเราว่าของเราว่าตัวเราของเรามันมีแต่สมมุติถิมัญญัติก็เลยเกี้ยงเก่าในเกลี้ยงเก่าในชีวิตของเรานะ แต่อาศัยสมมุติมาพูดกันชอบไม่ชอบเป็นสมมุติปัญญาต์ปากอย่างหนึ่งใจอย่างหนึ่งอันนี้ดีนะอันนี้ไม่ดีนะพูดได้แต่จริงดีเป็นสมมุติจริงจริงดีอันเป็นสมมติเช่นเอาของสองอย่างมาวางไว้ด้วยกันเอาแก้วเอาเอาแก้วน้ําเอากระถูน มาวางไว้ด้วยกันอะไรดีสมมุติได้อะไรไม่ดีสมมติได้จริงแบบสมมุติเฉยๆแต่จริงแบบปรมัด ม, มันมีอยู่มันไม่จริงมันก็ไม่ได้ดีมันก็ไม่ได้ไม่ดีเอาทั้งว่าคนนี่เป็นคนดีคนนี้เป็นคนไม่ดีอันนี้ก็สมมติวันหยัดเราก็เลยเป็นความหลง ปรมา จ, จิตจักแ้นก็ครอบความไม่อยู่เอาไปเอาความโกรธว่าเป็นเป็นตัวเป็นตนเอาความสุขว่าเป็นตัวเป็นตนได้มีความฉกหรือว่าสังขารปุญญาพิสังขารสังขารคือบุญอปุญญาพิสังขาร อภิสังขารคือบาปอเนนชาภิสังขารอภิสังขารคืออเนนชาคือยังไม่ใช่เป็นบุญยังไม่เป็นบาปมันพร้อมจะเป็นบุญมันพร้อมจะเป็นบาปทำมายุ่งสมองูดก็เด้ก็อยากจะพูดไปนะเพราะว่ามันเประมบงัดสัจจะสมุติสัจจะ ความหลงเป็นสมุติคงไม่หลงเป็นปรมัติอธิบายคงไม่หลงเป็นยังไงก็เลยอยากจะพูดว่าไม่เป็นอะไรกับอะไรมีอะไรจึงไม่เป็นอะไรกับอะไรมีสิ่งที่ไม่เป็นอะไรไม่มีอะไรไม่มีสิ่งที่มันเป็นอะไรอ้าวมีสิ่งที่ไม่เป็นอะไรไม่มีสิ่งที่ไม่ที่ไม่เป็นไม่มี สิ่งที่มันเป็นอะไรอะไรต้องเข้าใจไม่มีสิ่งที่เป็นอะไรอะไรแต่มีในสิ่งที่ไม่เป็นอะไรอะไรมันไม่มีสิ่งที่เป็นมันมีสิ่งที่ไม่เป็นมันเต็มไปด้วยเรมเต็มไปด้วยความไม่เป็นมันเต็มไปด้วยความเป็นเข้าใจไหมเต็มไปด้วยความเป็นอะไรก็ ชอบอะไรก็ไม่ชอบเต็มไปด้วยความเป็นนี่ฉันชอบนี่ไม่ชอบนี่ชอบนี่ไม่ชอบเต็มไปด้วยความเป็นได้บ้างมีภพมีชาติเต็มไปด้วยอะไรเต็มไปด้วยความไม่เป็นนี่ไม่มีภพไม่มีชาตว่างว่างจากอะไรว่างจากความมีความเป็น ว่างจากเต็มไปด้วยอะไรเต็มไปด้วยความไม่มีไม่เป็นถูกทั้งสองอย่างเต็มไปด้วยอะไรเต็มไปด้วยความไม่มีไม่เป็นเต็มไปดูความมีความเป็นว่างด้วยอะไรว่างดูความไม่มีไม่เป็นก็มีทั้งสองอย่างในความว่างในความเต็มบางทีอธิบายความว่างว่างในความไม่มีไม่เป็น มีแต่ความมีความเป็นความมีความเป็นเต็มไปหมดมันเลยว่างเกิยความไม่มีไม่เป็นมันก็ถูกทั้งสองอย่างแล้วเราแต่เราจะใช้อย่าไปแย่งกันอย่างที่เราสวดธรรมจักเมื่อกี้นี้กรมาตนาตนาในกรรมอวตาราาตนาในตนาในความมีความเป็นวิปวตารนาตนาในความไม่มีไม่เป็น ทำไมหลวงพ่อจึงพูดว่าไม่มีไม่เป็นมันเป็นวิปปบาตัญหานานาๆนะแยกได้เหมือนกันนะวิปปบาตันหาตัญหาในความไม่มีไม่เป็นธรรมจักรที่เราตวจไม่ใช่เนวทําไมหลวงพ่อจึงพูดแต่ความไม่มีไม่เป็น่ยนคืออธิบายยังไงความไม่มีไม่เป็ี่นลายกาดในีตนนัวนี้วิปปบาตัญหาตัญหาลายกาด การตั้หาตั้หาธรรมดาธรรมดาวิภาวะตั้หาตั้หาทำให้เกิดภพอยากมีครอบมีครัวอยากมีลูกมีเต้าอยากมีเมียมีผัวเรียกว่าวิภาวะตั้หาก็ดีที่เนาะจะได้อาศัยเกินใช่ไหมอยากมีสามีจะได้อาศัย อยากมีพันยาอยากได้อาศัยการนี่เร ว, ว่าวิภวตัญหาจนมีพันยาจนมีสามีขึ้นมาอยากมีบ้านอยากมีรถมนเนี่ยอันนี้เป็นธรรมดาไม่ค่อยจะเตืดร้อนแต่ผู้ที่เป็นครวญครวญรู้อันเดรวิภาวตัญหาคืออะไรในความไม่มีไม่เป็นอยากมีเมียก็ ข, มข่มคืน อยากได้ทักพก็อ้นที่นี่วิภพวัตถนาอันลายขนาดนี้นไม่ได้ต้องทําไม่ต้องทําไม่ต้องทัพยผิดโชคเรียกว่าวิภพวัตนหนาอยากได้เงินก็พ้นเอาลอกขโมยเอาอยากไปลูกเมียก็ข่มขืนเอาจนเกิดปัญหาบ้านมากงนี่วิภพวัตถนาวิภพวัตถนา ตนหาแทมไม่ไม่มีไม่เป็นปฏิเสธอะไรทั้งหมดมันจึงอันตรายน่าจะพูดเลยการมาตัณหาตัณหาในกรมภวะตัณหาธนณาเกิดภพภาวะคือภพภพคืออะไรอยากมีลูกมีเมียเป็นภพอยากมีเงินมีทองเป็นภพจนมีเงินมีทองมีลูกเมียเป็นภพใหม่เป็นภพใหม่แต่ก่อนเป็นคนจนวันนี้มีภพใหม่เป็นคนมั่งมี สะดวกสบายอันนี้ไม่ไม่ป็นทำให้เดือดร้อนสำหรับผู้ครองเรือนสำหรับผู้ที่เป็นผู้ที่เป็นพระเป็นนักปวดเป็นอนาคาลิกไม่มีบ้านไม่เรือนก็สะดวกแบบนี้ ไม่ต้องมีพลายเหมือนกับ น, นกมีปีกบินไปไหนก็ได้ไม่ผลาญพลังเพื่ออะไรเพื่อการงานมันก็สะดวกแบบการช่วยทุกสิ่งนุกอยาไม่ต้องมีใครไม่เรียกร้อ ง, งามาแบ่งปันชีวิตเพื่อคนอื่นชิงอื่นวัตถุอื่นโดยตรง ลำบากชีวิตครวาท์ผู้ครอบครอนก็เอื้อลูกองเอวเมียเผื่ออยาพีดอตัมาหาจินธรรมดาเป็นคนดีมีชินมีธรรมพวกเราเป็นอนาคาลิกก็อาศัยแต่ส่วนบีพอบาตัญหาเนี่ยลายที่จุดตัวเนี่ยมันไม่ใช่ป่ะไม่มีไม่เป็นนะ ไม่มีไม่เป็นอธิบายได้สองอย่างใช่ไหมไม่มีไม่เป็นเนี่ยอยากได้เงินก็ต้องไปทํางานล่ะไปเชิดเอาไปป้นไปชี้เอาอยากไม่ครบมีลูกมีเมียก็ข่มคืนเอานีเแล้ววิภพัฒหาไม่ใช่ตัณหาความไม่มีไม่เป็นหลวงพ่อพูดว่าไม่มีไม่เป็นจะต่างกันไหมนะ จะต่างไหมไม่มีไม่เป็นเลยไม่มีไม่เป็นอันที่มันเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นความพอใจไม่พอใจอะไรที่เป็นสุขเป็นทุกข์ไม่มีไม่มีในความเก็บไม่มีในความแก่ไม่มีในความตายเป็นผู้ที่ไม่ตายในความตายไม่เป็นไม่เป็นผู้ตายในความตายไม่เป็นผู้เก็บในความเก็บไม่เป็นผู้แก่ในความแก่ไม่เป็นผู้ทุกข์ในความทุกข์ พูดในความไม่มีไปเป็นพูดเรื่องนี้ง่ายง่ายผู้อวานไปพูดที่นาเชือกมีคนลบบุรีก็ <c oughs> มากราบได้เละเลวมาเหมือนคนตกใจามาทั้งผัวทั้งเมียาลวงพ่อหลวงพ่อพูดบนเช้านี้หลวงพ่อว่าเห็นไม่เป็น ตีแรกผมคนหนักมาทั้งนานนะอะไรผมมาเป็นมามากเป็นเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นผิดเป็นถูกเป็นชอบเป็นไม่ชอบพอหลวงพ่อพูดผมทังหนักมากหนักมากแล้วหลวงพ่อพูดว่าเห็นไม่เป็นหลวงพขาพูดว่าเห็นไม่เป็นมันเห็นตรงไหนก็เห็นไม่เป็นทำลงไปเลยเหมือนกับลุง ผมเเบาไม่รู้จะอยู่ไงเดิ น, ปนไปไหนก็เบาหมดแล้วเนี่ยห <laughs> น้าเละๆเหมือนเกิดเหมือนเกิดตื่นเต้นอะไร <laughs> มาันเบานะ <laughs> ผม <laughs> ผม <laughs> ผมเห็นผมมันเปี่นเนี่เอ้ามันหลุดไปเยอะเยอะเยเลยมันเป็นยงไงหลวงพ่อเป็นยังไงนะไม่รู้มันก็มันเปลี่ยนได้ไหมเปลี่ยนจิตใจได้ไหม <laughs> เปลี่ยนได้ตางเขาหรอันเนี่ยตางเขาจริง แต่ก็รุมเป็นน่ะเดี๋ยวนี้จะมีสักคนไหมเห็นไม่เป็นท้าอะไรบ้างเห็นไมเห็นไม่เป็นเนี่ยเรารูสิโอ้ยตลอดทางนั้นเนี่ยนะกรมมือเดียวพับใส่กระเป๋าให้เอาไปใช้ตลอดชีวิตเห็นไม่เป็นเนี่ยนะโยงเออคนประมาณร้อยสองรอยคนอะคนฝัง ที่หลงตาพูดเมื่อวานให้ได้มาพูดในฝั่งเท่านี้ก็เอ้าอดีแล้วอนมโมธนาะรยยอมเนอะหรือว่าเอาสองวงัญเจี๊ยบไปลา